อาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสเนะาะมักจะพูดเสมอพูดว่าการทำงานนะคือการปฏิบัติธรรมพวกเราก็ก็มีงานนะที่ทำนะแต่เราก็อย่าลืมนะว่าการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละนะ บางทีถ้าเรามุ่งแค่ความสำเร็จของงานนะบางทีเราจะลืมว่าที่จริงมันก็จะมีส่วนที่เราได้ประโยชน์ในการขัดเกลาจิตใจของเราด้วยนะให้ทำงานทั้งงานภายนอกนะแล้วก็งานภายในพร้อมๆกัน บางทีอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์ะอย่างหลวงพ่อคําเขียนท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าขยันทํางานเนะตั้งแต่ตอนที่ท่านบวชใหม่ๆอยู่กับหลวงพ่อเทียนเองก็ดีนหรือว่าตอนที่ท่านมาบุกเบิกที่สุกโตที่ภูกอทองหรือแม้แต่ตอนพรรษาเทท้ายหลวงพ่อก็ยังมี ความคิดที่อยากจะไปปลูกป่าที่ภูหลงนะท่านก็ย่างไปที่นั่นนะไปปลูกต้นไม้นะเท่าที่ท่านทําได้นะร ด, ดน้ำต้นไม้นะแต่ที่จริงก็ตอนปฏิบัติใหม่ๆนะเคยเคยถามหลวงพ่อนะตอนที่หลวงพ่อเป็นคราว่าแล้วก็ไปปฏิบัติกับหลองพ่อเทียนหลวงพ่อก็ เคยบอกว่าบางทีตอนไปอยู่ใหม่ใหม่เนี่ยไปอยู่ใกล้ใกล้กลูดหลวงพ่อเทียนนะเวลามีแขกมาหาหลวงพ่อเทียนก็ต้องคอยกูเสือคอยหาน้ําให้กับแขกที่มานะพอแขกกลับไปก็เก็บเสือเก็บน้ํานำะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ จ, จะมีคนมาหาหลวงพ่อเทียนหลายครั้งนะท่านก็มองว่ามันคล้ายๆมันวุ่นวายหรือว่า การการทำแบบนี้มันไม่ค่อยได้ปับปฏิบัติธรรมสักเท่าไหร่นะก็ก็คงอาจจะเป็นความยังไม่เข้าใจธรรมะดีเนาะก็เลยมองว่างานได้เล็กน้อยน่ยนะจึงการแบบเสียเวลาหรือว่าบุ่นวายเนะนาะตัณท่านก็เลยปีกปีกตัวเองไปอยู่เนะี่ยอยู่ไกลหลวงพ่อเทียนนะ่ะ จะได้ปฏิบัติทมเต็มที่นะหรือท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าบา ง, บางทีมีพระมีเนเนาะมาใช้ให้ไปหาผักหาผลไม้นะหรือใช้ให้มาช่วยงานบางทีท่านก็รู้สึกว่าไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นะบางทีก็ทำไปด้วยความไม่พอใจหรือบางทีก็ปฏิเสธเนี่ย ขอไม่ทําเลย ก, ก็มีอันนั้นคือภาพหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะเข้าใจธรรมะเนาะบางทีท่านก็มองว่ามองการงานเป็นเป็นคล้ายๆเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นเรื่องเสียเวลาแต่จะต่างจากหลวงพ่อนะพอท่านเริ่มเข้าใจธรรมะแล้วท่านไม่เกี่ยงงานหนะลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนอยู่วัดป่าพุทธยาน เนี่ใหม่ๆเนี่ยบางทีหลวงพ่อเทียนก็ไม่อยู่บางทีท่านก็อยู่รูปเดียวนะท่านก็ดูแลวัดเองนะกวาดดานวัดกวาดถนนคนทางทั่วทั้งวัดเลยนะไม่เป็นไรนะหรือบางช่วงขุดบ่อบ่อน้ําตื้นเน่ยหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็แบบขุดบ่อนะแบบพยันพันแข็งมากนะบางครั้งเนี่ยกลัวเพื่อน ดูนะไปแอ บ, บขุดบ่อตอนกลางคืนก็มีนะขุดบ่อนะหรือท่านย้ายมาอยู่วัดป่าพุทธยานแห่งใหม่นะก็ขุดบ่อเหมือนกันนะหลพ่อสมหมายเล่าให้ฟังว่าท่านขุดบ่อจนทั้งเกือบตายนะขุดบ่อลงไปแล้วครั้นี้ดินมันดินมันพังนะท่อวงแหวนที่เอาลงไปมันมันเคลื่อนนะ หลวงพ่อมุดลงไปในน้ํำนะจะไปดันท่อวงแหวนให้มันเข้าเข้าที่เข้าทางแต่ปรากฏว่าน้ํามันก็ขุ่นแล้วก็หลวงพ่อก็มุดลงไปท่อวงแหวนก็ไปทับแขนของท่านนะเพื่อนที่อยู่ข้างบนก็ไม่เห็นว่าหลวงพ่อคำเขียนแต่ันถูกท่อวงแหวนทับนะท่านก็เขาก็อยู่ข้างบนหลวงพ่อก็ต้องดินดน้นต้นเอาตัวรอดตัวเองอยู่ในบ่อน้ํำนะ พอขึ้นมาแลค่อยเอาแขนมาให้เพื่อนดูว่าถูกทับหลวงพ่อสมหมายพูดประมาณว่าเกือบแล้วนอกกับเร า, เ, าเกือบไม่เกือบไม่ได้เห็นเกือบไม่ได้เรียนธรรมะกับหลวงพ่อคำเขียนแล้วนะท่านเกือบตายในบ่อนนะตอนนั้นแล้วนะคือมันเป็นเรื่องความโศตายของท่านนะเรื่องการสู้งานหรือท่านเคยเล่าให้ฟังตอนไปอยู่ที่สวนโมกก็โอ้ ตอนนั้นอาจารย์พุทธทาท่านคิดจะเจาะอุโมงค์ของทะลุพวกเขาอะแต่ก็ทำไม่สำเร็จหรอกแต่ตอนนั้นที่หลวงพ่อท่านไปท่านก็ไปช่วยงานแบบไปขุดดินทุบหินเนะ่ยทำกลางวันกลางคืนเลยนะบางทีบางครั้งก็ไม่ไปบิณฑบาตเพราะว่าจะจะทำงานนะให้มันได้เยอะเนอะ น, นี่ก็เป็นเรื่องนิสัยของ ของหลวงพ่อนาะที่เราก็ผมว่าเราก็เป็นเป็นตัวอย่างได้ว่าเรื่องการสู้การสู้งานแล้วก็ไม่มองว่าการการทำงานนั้นนนั้เป็นอุปสรรคในการประพฤติทธรรมนะแต่มันก็แต่ก็ต้องทำแบบหลวงพ่อนะหลวงพ่อทำงานแบบทำแบบจริงจังสักหน่อยหมายถึงว่าทำงานแบบทำ ให้ใจอยู่กับการงานนะแล้วก็อยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยสตินะหมายถึงว่าไมนะ่ไม่ไม่คล้าๆว่าเอาเอาใจอยู่กับงานที่ทำแล้วก็เอาใจคอยรู้สึกนะถึงการเคลื่อนไหวใจคอยรู้สึกถึงนะสิ่งที่กระทบภายในใจเนาะนะ ไม่ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นนะจากภายในใจของตัวเองก็ดีหรือว่าสิ่งที่เพื่อนฟูงในการงานกระทบเองก็ดนะีท่านก็คอยรู้สึกแบบนั้นเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเรียนรู้จากตรงนั้นหรือผมเองตอนจำได้ตอนบวชมีใหม่นะเวลาทำงานเออบางทีต้องไปแบบ แห่ท่อน้ํำนะ่ะในห้องซ่วมที่มันแบบตันแบบนี้เนาะต้องไปล้วงรากไม้นะ่ะบางทีก็ติดอุจจาระติดปัสสวะออกมาด้วยเนะี่ยโอบางทีก็เห็นตัวเองเลยตอนนั้นมันคิดเลยวโอ้ทําไมเราบวชแล้วนะ่ะเราต้องมาทําแบบนี้ด้วยเนะี่ยโอเราศึกษาเรียนจบปริญญามาทําไมต้องมาทําแบบนี้ด้วยเลยนะ มันเห็นเลยว่าเออตัวตนที่ที่มันแสดงออกมา ม, มันความไม่อยากทำเนาะมันมีเหตุผลเข้ามาเข้ามาต่อต้านเข้ามารังเกียจการงานตรงนั้นแต่ก็นะสะดุดใจนะแต่ก่อนที่ซ่วมตรงแถวแถวลงครัวสุโกโตจะมีอยู่ห้องหนึ่งนะตอนนี้ก็ปรับปรุงทาสีใหม่แล้วมันก็เลยไม่เห็น ไม่รู้องพ่อคําเขียนหรือว่าใครไม่รู้เป็นคนเขียนไว้เขาบอกว่างาน้างท่วมคืองานชิ้นแรกนะของโลกแต่คงไม่ใช่เราที่จริงนะท่วมมันมีมาที่หลังนะแต่ประมาณว่าคงเอาคําของใครมามาเขียนไว้นะประมาณว่างาน้างท่วมนะคืองานงานที่งานชิ้นแรกนะที่จริงก็อาจจะเป็นงาน ที่จริงถ้าจะมองไปจริงนะมันก็ถ้าเราทําความสะอาดเช่นล้างท่วมเนะี่ยซึ่งบางทีคนส่วนใหญ่ไม่อยากทำเนาะเพราะเป็นงานที่สกรปรกเป็นงานที่เหม็นเป็นงานที่เนะี่ยอยู่กับนะสิ่งปฏิกูลนะ่ะคนไม่ค่อยอยากทําแต่ที่จริงยิ่งเป็นงานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะถ้าเราทำได้ได้วยความเสียสละด้วยความเต็มใจเนี่ย มันได้ขัดเก่ากิเลสออกจากจิตใจของเราเยอะมากนะบางทีตัวตนของเราบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีมานะมีตัวตนในแฝงอยู่พอเราได้มาทำงานที่ที่เรียกว่าเหมือนเป็นงานที่ใช้แรงหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งสกรปรกหรือเหนื่อยอยากเนี่ยมันมันคล้ายๆมันเราได้สละนะสระกิเลสออกไปจากจิตใจนะกิเลสคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะสบาย ไม่อยากเหนื่อยอยากจะมีความสุขนั่นแหละนะเราก็มาสระพวกนั้นนะ่ะมันก็เป็นการขัดเกากิเรตนะแต่เราก็คงไม่ได้ทำแบบเหมือนกรรมกรรับจ้างนะไม่ได้ทำเพื่อเพื่อหวังผลตอบแทนนะเพราะถ้าทำแบบนี้นมันจะเหนื่อยมากนะเหมือนบางทีเราเห็นนาะบางทีกรรมกรรูกจ้างบางทีนะ่ะถ้า หัวหน้าโฟแมนไม่มาคุมเนี่ยก็จะหาเรื่องหาเรื่องพักหาเรื่องหยุดหาเรื่องอู้อ่ทําแบบด้วยความไม่เต็มใจทําด้วยความเป็นหน้าที่นะแต่ไม่ได้ทําด้วยความนรู้สึกมีความสุขหรือว่าทําเพราะว่าอยากจะทําให้มันดีเนะทําแบบนั้นน่ะมันจะเหนื่อยนะเหนื่อยทั้งกายเนื่ยทั้งใจ กายยางนี้ก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วเวลาทํางานที่ออกแรงนะใจก็เหนื่อยเพราะว่าไม่อยากทำด้วยนะแต่ น, นี้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะนะแต่บางทีเราก็จะเห็นบางคนเป็นแบบนั้นบางทีทำแล้วก็จะหาเรื่องหาเรื่องพักหรือว่าทำน้อยกว่าเพื่อนอนะไรแบนะี้แต่ถ้าเราทำด้วยความเสียสละเนี่ยมันจะไม่คล้ายๆไม่ไม่ดูคนอื่นหรอกว่าเขาจะทำมากทำน้อย เราจะดูแต่ตัวเองเออเราทำได้ขนาดไหนนะเราทำได้ขนาดไหนเราก็ทำของเราไปนะเพื่อนจะทำเพื่อนจะไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะทำให้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนอย่างนะี้แต่เราก็จะทำได้ทำเลยนะเนะี่ยหมายถึงว่าเราก็ทำด้วยความมีสติแบบนั้นไปด้วยนะมันก็จะเกิดประโยชน์มากอย่หลวงพ่อเองก็เคยเล่าให้ฟังบางทีตอนไปบินทำบาดรนะ บางทีเพื่อนก็พูดคุยกันนะหรยอบางทีเพื่อนก็ออกไปเก็บนะอาจจะเห็นผักเห็นเห็นหมากไม้นะออกไปเก็บออกไปพูดคุยกันเออออกก็เป็นการหลงนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอเออเพื่อนเขาหลงแต่เราอย่าไปหลงกับเขานะเนะขาหลงก็ไม่เป็นไรเรื่องของเขาแต่เราอย่าไปเผลอหลงกับเขาแล้วกันอ ที่หลวพ่อก็เอาตัวนี้ยเป็นตัวอย่างสอนตัวเองเนะเพวกเราเองก็เหมือนกันนะเวลาเราอยู่เราอยู่ด้วยกันนะคนอื่นหลงนะแต่เราอย่าหลงนะให้ทําแบบนั้นก็พอแต่เราก็ไม่ใช่ไปตําหนิเพื่อนนะเราก็เหมือนเราก็มองกันเป็นมองกันแบบด้วยเมตตาต่อกันนะมองกันด้วยความปรารถนาดีต่อกันนะั่นแหละนะ ไทยเตือนได้เราก็เตือนเตือนไม่ได้เราก็ต้องทําใจนะก็ปล่อยไปนะทักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็อาจจะพอก็ะพืชปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะมันก็จะเห็นโทษเองนะนะโทษของความหลงในบางทีมันมันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะหรือบางทีมันก็มันก็คืออีหยันก็คือเสียเวลาในชีวิตของเราเนี่ยแหละนะโทษที่สํำคัญที่สุดคือโทษในการเสียเวลา เพราะว่าเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปทุกวันทุกวันเนาะเราอยู่วัดก็ดีเราบวชก็ดีเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆหลายปีหลายวันหลายเดือนนะมันก็เราได้งานในการฝึกจิตฝึกใจของเรามากน้อยขนาดไหนอันนี้อันนี้คืองานที่ที่สำคัญมากเนาะในในความเป็นนักบวชของเราเนาะบางทีก็ คล้วว่าอาจจะไม่เข้าใจทําไมพระต้องมาทําแบบนี้นะแต่จริงถ้าเรามองเออเป็นงานขัดเกลากิเลดแบบหนึ่งนะยอมนะมันก็เราก็สบายใจคนจะมองแบบไหนก็ไม่เป็นไรหรอกนะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่มีค่ามากนะที่ถ้าเราได้บวชเราได้เราได้นะไดทํางานทั้งภายนอกงานทั้งภายในนะแล้วก็ผมว่าบางทีเรามาทำอนยะ่างนี้ยมันก็ดีนะ มันไม่ใช่ทําเหมือนคาราวาส์เนานะทําไร่ทําสวนนะ่ะต้นไม้นี่ก็เป็นของเขานะผลผลิตก็เป็นของเขาที่ดินนี้ก็เป็นของเขานะ่ะตกทอดถึงลูกถึงหลานเป็นมรดกได้นะมองว่ามาเป็นของของเรามองว่าเป็นของตระกูลของเรานะก็มีความขยันทํำนะทําเพื่อตัวเองบ้างทําเพื่อลูกเพื่อหลานบ้างนะก็ทํำไป มันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่เป็นประโยชน์แบบแคบๆนะเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มน้อยนะแต่งานทำทำเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะตัวของเราหรือญาติของเราเท่านั้นนะแต่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ที่มาใช้ประโยชน์ได้นะเราทำแล้วก็ไอ้ที่ทำเนี่ยก็ไม่ก็จะไปมอบให้ใครก็ไม่ได้นะมันเป็นของของสงม เอาของของสงไปให้กับบุคคลในบุคคลหนึ่งนะหรือเอามาเป็นตัวของเอามาเป็นของตัวเองนะก็เป็นอาบัตเหมือนกันนะนั้นมันก็ของสมเนี่ยมันก็เราทำเหมือนทำเพื่อสละเนาะทาแล้วก็ไม่ใช่ว่านี้เป็นเป็นของของเรานะแต่เราทำเพื่อเห็นประโยชน์ในงานที่ทำนะทำแล้วก็เออใครจะใช้นะก็นอนุโมทนากับเขา เคยที่คุยกับอาจารย์กำพลเนะ่ะตอนบวชใหม่ใหม่ออท่านก็ให้คติดีแล้วท่านก็ท่านอาจจะเห็นเราเออบวชยังไม่นานนักแล้วก็เป็นพระหนุ่มๆ น, นะตอนนั้นตอนนี้ก็ยังกลางกางคนละ <c oughs> ก็ท่านก็ไม่รู้ท่านก็อาจจะพูดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะท่านก็พูดไปเนะียเป็นคาระวานนะเนาะมีครอบครัวเนี่ยมันก็ประมาณว่า การงานหรือประโยชน์ที่ได้ทําเนี่ยมันก็แคบแคบเนา ะ, นะมันก็เกี่ยวข้องแต่กับลูกกับเมียกับครอบครัวกับญาติพี่น้องของตัวเองเท่านั้นนะแต่เป็นพระนี่โอ้ได้ประโยชน์กว้างมากท่านนประโยชน์กว้างนะครอบครัวก็ได้นะคนอื่นนะที่เป็นญาติธรรมเป็นญาติโยมก็ได้ใช้ประโยชน์นะคล้ายๆเราได้ทําประโยชน์กับคนอื่นเยอะกว่าน่ะ บางทีเป็นคาระวะเนี่ยมันทุระกับฟังเกี่ยวกับครอบครัวมันเยอะนะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรืออย่างอื่ น, นอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบ ท, ทั่วไปกว้างๆนะแต่ก็อาจข้อปิดย่อยของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะบางคนเป็นคาระวะแต่ก็ทําประโยชน์ได้กว้างก็มีเนาะสมัยนี้โอ้สมัยนี้บางทีเราเป็นพระเองนะ บางทีก็ไอคาราวัล น, นะบางทีโอ้คาราวัลบางคนนี่เยผยแพร่ธรรมะนะเขียนหนังสือธรรมะนะอบรมวรีคอส์นะมีคนสนใจไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมกับเขาเยอะนะแต่พระนะบางทียังโอ้บางที่บางคนนะ่ะก็ยังหลงอยู่นะไปหลงกับไสยศาสตไปหลงกับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมาย บางทีคารวะนะเป็นก็แบบก็แข่งขันนะแข่งขันขึ้นในการเผยแพร่ธรรมะหรือว่ า, เ, าเป็นหลักในการสอนธรรมะนะรู้สึกอาจารย์ไปสารจะเคยพูดนะว่าพุทธศาสนาไทยในอนาคตเนี่ยคารวะจะมีบทบาทมากขึ้นนะบทบาทในการนี่แหละในการเผยแพร่ธรรมะในการอธิบายธรรมะนาะ เขสงเองกับรถบทบาทลงเพราะว่าติดในรูปแบบคนณ ะ, ะสงเองก็อาจจะติดในรูปแบบการปกครองแบบกเกานะ่าการเรียนการศึกษานะในทางวัดในทางสงเองก็อาจจะไม่ทันสมัยนะไม่ทันไม่ทันเทคนยียุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะเวลาอธิบายหรือเวลาสอนญาติโยมก็ ก็ยึดติดในรูปแบบเก่าๆนะหรือว่าไม่พัฒนาก็ทำให้ไม่ค่อยได้รับการยอมรับหรือว่าไม่ได้เกิดการที่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคนทุกเข้าไม่ถึงชาวพุทธทั่วไปหรือว่าไม่สามารถที่จะเผยแพร่ออกไปสู่โลกกว้างไั้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องก็น่าคิดนะบางที ถ้าเราเองบางทีก็ไม่ค่อยพัฒนานะก็ติดแต่กับเรื่องเดิมๆเนี่ยอยู่ที่เราเองเราก็ที่พูดแบบนี้คือเราก็มองตัวเองนะอย่างผมเองก็พยายามมองตัวเองดูเอออะไรที่เราพัฒนาได้นะเปลี่ยนแปลงปรับไปตามที่เวลาไปสอนธรรมะแบบไหนที่คนจะเข้าใจเราก็พยายามใช้ตัวอย่างใช้สมมติใช้รูปแบบที่มัน ให้การวาสนะให้ผู้ที่เขามาอบรมนเข้าใจง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนให้แบบแล้วมันเสียธรรมะเสียวินัยของเรานะักบางทีก็เราก็จะมีลักในการที่ใช้นะไม่ใช่ว่านะไปทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อคิดว่าเป็นข้ออ้างในการ เผยแพรธรรมะหรือเป็นการประยุกต์อะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่นะก็แต่เราก็รู้จักประยุกต์แต่เราก็ประยุกต์ในในในฐานที่ในฐานที่เรียกว่ามีหลักธรรมนัยเป็นหลักเนาะ uh huh. แต่ก็อันนี้ก็พูดก็แล้วแต่บางคนหนักบางคนก็ถนัดแบบแบบดั้งเดิมนะก็ดีนะก็ดีเหมือนกันเพราะว่ารักษาแก่นรักษา รูปแบบเดิมๆไว้เนะี่ยก็ทีฝรั่งสมัยนี้นะบางทีมันก็มีสองแบบมีหลายแบบนะั่นแหละว่าบางแบบก็ชอบแบบแนวแนวแนวสักหน่อยนะบางแบบก็ชอบแบบกลับมาหาดั้งเดิมออริจินอลนะทำไมสายหลวงพ่อชานะมีฝรั่งนะมาสนใจปฏิบัติเยอะมากทั้งๆ ท, ที่แบบมันคล้ายๆเป็นแบบ ย้อนยกไปเลยนะในในสายวัดป่าแต่บางทีคนสมัยใหม่นะบางทีก็มันอยู่กับความสมัยใหม่อยู่กับความทันสมัยมาเยอะนะก็อยากจะแบบปีออกออกมาจากพวกนั้นบ้างนะมันเหนื่อยละนะเหนื่อยกับเทคโนโลยีเหนื่อยกับการอะไรต่างๆมากมายมาอยู่แบบง่ายๆนะมาอยู่แบบง่าย ไม่มีความสะดวกสบายมากนะแต่มีความสุขใจมากแบบนี้ก็มีนะใช่ไหมเหมือนเราบางทีเรามาอยู่วัดนะั้นบางทีไฟก็อาจจะพอมีใช้นะแต่ก็ไม่ฟุ่งเฟยเกินไปหรือบางทีเทคโนโลยีนะบางทีเราก็บางรูปก็อาจจะไม่มีนะเห็นว่าเออมันไม่จำเป็นนะก็ดีนะแต่บางรูปมีก็ เขใช้แต่เฉพาะที่เป็นประโยชน์ก็พอนะอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปใช้มันบางทีมันก็เป็นเหมือนมีดนะเหมือนดาบสองคมนะใช้ในการเฉือนสิ่งที่เป็นขี้ริ้วนะเหมือนพระเจ้าท่านบอกธรรมะนะเหมือนเหมือนกับเฉือนสิ่งที่เป็นขี้ริ้วออกไปก็เกิดประโยชน์แต่บางทีถ้าเราเฉือนไม่ดีเราก็เฉือนเนื้อเฉือนตัวเองนะ เกิดโทษเกิดแผลเนาะใช่ไหมการใช้สิ่ ง, งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ก็ดีหรือว่าเป็นปัจจัยอื่นๆให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกนะในสมัยนี้ก็ดีนะถ้าเราใช้เกิดประโยชน์เนี่ยก็เรียกว่าใช้เพื่อเพื่อเฉือนกิเลสหรือว่าใช้เพื่อนํารงชีวิตอยู่ได้นะเกี่ยวข้องกับสิ่ ง, งต่างๆอยู่ได้ แต่ถ้าเราใช้แบบไม่เท่าทันนะมันก็จะเกิดโทษนะเกิดความหลงนะเกิดเสียเวลาไปอันนี้แหละทุกอย่างอะนะเราก็พยายามพิจนารณาในการกระทำในการเกี่ยวข้องถึงต่างคนเนี้ยให้มันมากที่สุดนะมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเรามากนะเพราะเราก็ได้ได้มาบวชนะได้มาอยู่วัดนะได้ปฏิบัติธรรมเนะี้ยมัน แล้วก็เป็นงานที่งานเนยตรงนะถ้าเรามีโอกาสเรามีเวลาว่างเราก็ทําในรูปแบบนั่นแหละนะนั่งสมาธินั่งสจางจังหวะเดินจงกรมนะอยู่ยงียบเงียบคนเดียวก็อยู่ได้นะเราก็ทําำตรงนั้นแต่ตอนมีงานมีการเราก็ไม่เกี่ยงนะเราก็สกู้แล้วก็เราก็เอาจิตเอาใจของเราอยู่กับสิ่งที่ทําแล้วก็ รู้ตัวเป็นะที่ทำไปด้วยเนี่ยก็เรียกว่าทำได้ทั้งสองแบบเนาะจะทำการทำงานก็ได้จะอยู่คนเดียวปฏิบัติในรูปแบบก็ได้อันเนี้ยมันเหมือนเหมือนสะเทินนะกสะเทินบอกสักหน่อยนะบางทีเนี่ยผมก็มองนะบางทีก็มองเนี่ยถ้าคนที่ประพฤติ ท, ทาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ฟังแค่คำพูดหรอกก็ดูการกระทำนี่แหละดูว่าเออทำได้ทำไม่ได้เป็นแบบไหนเนาะบางที บางคนปฏิบัติทำในรูปแบบเนี่ยอยู่ได้แต่พอมาอยู่นอกรูปแบบอยู่ไม่ได้นะบางคนอยู่ในรูปเอออยู่กับการงานเนี่ยอยู่ได้แต่ให้ไปทำในรูปแบบก็ทำไม่ได้เน่มันก็มันเหมือนเพราะว่าเขายังมีอะไรที่ชอบมีอะไรที่ไม่ชอบอยู่นะอชอบทำในรูปแบบไม่ชอบทำนอกรูปแบบบางคนก็ชอบทำนอกรูปแบบไม่ชอบทำในรูปแบบเลยมันนะ มันก็เพราะยังมีความชอบมีความไม่ชอบยังมีความรู้สึกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีนะแต่จริงถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวจริงๆนะไม่ได้มองอะไรดีกว่ากันนะมองเป็นเรื่องที่ตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยตอนนี้ให้ทํางานเราก็ทํางานอย่างมีสตินะเหตุปัจจัยตอนนี้ไม่มีงานทําก็ไม่ต้องไปหาเรื่องทำํำนะ แล้วก็ภาวนาในรูปแบบของเราก็อยู่ได้นะมองไปเรื่องเหตุปัจจัยก็ทำไปตามสถานการณ์ที่จำเป็นต้องทำนะสิ่งที่มองว่าเป็นประโยชน์ต้องทำเราก็ทาแบบนั้นจะทำในรูปแบบเราก็ทำได้นะจะทำการทำงานเราก็ทำได้นยะแบบนี้ดีนะแบบนี้ถือว่ามาถูกทางนะแต่ก็อย่างว่าและก็ต้องทำด้วยความมีสติความรู้ตัวนะ มันก็จะเป็นการขัดเกลอกิเลสแล้วก็เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มากขึ้นเนาะ ก, ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับ